วันนย้นที่31อแล้วกแก่ไปได้อีกปีหนึ่งแต่อย่างน้อยก็มีบุญหล่อเลี้ยงนะมีชีวิตรอดมาปีหนึ่งเนี่ยไม่มีบุญหล่อเลี้ยงอยู่ไม่ได้ขันห้าร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิบากเป็นผลของกรรมทั้งหมดเลยตัวขันห้าพวกนี้ยังเว้นพวกกิเลสของผลิตใหม่ เรามีบุญเราได้ร่างกายได้จิตใจสมประกอบมีตามีหูมีใจปกตินี่ว่าเรามีต้นทุนที่ดีแล้กรมเก่าส่งผลมาดีหน้าที่ก็คือต้องพัฒนาทำกรรมใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เราจะมาหยุดอยู่กับที่พอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่ตอนนี้เราไม่พัฒนาคุณภาพจิตใจขึ้นไปเรียกเราประมาทไปพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความดีที่อยู่กับที่ท่านส่งเสริมบอกว่าต้องดีขึ้นไปอีกเราก็มาพัฒนาคุณงามความดีของเรา ไม่มีทานก็ทำทานทานไม่ใช่ต้องเสียเงินนะทานมีตั้งเยอะแยะอย่างคนเขาไม่มีความรู้เราให้ความรู้เขาก็เป็นทานให้คาแนะนำที่ดีอะไรก็เป็นทานทั้งหมดเลยให้อาภัยเ็เป็นทานไม่ใช่ว่าจะต้องเสียสตังคนจนถ้าทานผูกกับเงินคนจนก็ไม่ได้ทำทานไม่ใช่ ถ้าคนไหนศีลดังพลอยในรอบปีที่ผ่านมาเขาพยายามพัฒนาปีต่อไปนี่รักษาศีนให้เข้มงวดขึ้นศีลจำเป็นมากนะเคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งชาติก่อนๆรักษาศีนจนยอมตายรักษาศีลเขาพอนังง่ายงั้น คนกล้ารักษาศีลจนทั่งเสียชีวิตดีกว่าเสียศีลเนี่ยความรักความยึดถือห่วงแหนในรูปนามกายใจเนี่ยต้องเบาบางถ้ายึดถือในอัตตาตัวตนแรงมันทำไม่ได้หรอกมันจะสละทุกอย่างนะเพื่อผลประโยชน์เพื่ออัตตาตัวตนันถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวนะในการ พัฒนาตัวเองาการทำความดีทั้งหลายทั้งปวงเนียจุดมุ่งหมายมันมุ่งมาที่ลดละความยึดถือในตัวในตนนั่นแหละความดีขั้นสูงสุดคือขั้นเจริญปัญญาก็เห็นความจริงของตัวตว น, นเลยว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษและไม่ยึดถือเลยขั้นรองลงมาจากนั้นก็เป็นขั้นทุเลาเอาค่อยๆลดค่อยๆละเอาค่อยๆฝึก อย่างบางคนนะไม่เคยถือศีลแปดลองถือศีลแปดดูมันต้องต่อสู้มากมายเลยกว่าจะรักษาศีลแปดได้ฆราวาสเนี่ยไม่ต้องรักษาศีลแปดทุกวันนะไม่จําเป็นขนนั้นศีลห้าเอาให้รอดนะถ้าศีลห้ารอดนะโอกาสจะได้มรรคผลก็มีแล้วละ่ะแต่วันไหนมีความพร้อมลองศีลแปดดูบ้าง เราจะพบว่ามันต้องต่อสู้มากเลยต่อสู้กับการคิดถึงอาหารเย็นบางคนตอนเย็นปกติกินนิดเดียวอยู่แล้วนะไม่ค่อยกินอะไรโดยธรรมชาติของตัวเองแต่ตอนมาถือศีลแปดเนี่ยเย็นๆคิดแต่จะเรื่องกินนะ่ะใจมันจะวกไปอยู่ยงั้นเรื่อยๆต้องต่อสู้ต้องฝึกในการทำทานนะเพื่อลดละ ความห่วงแหนในตัวในตนยังอภัยได้ใจต้องกว้างถ้าใจแคบอภัยคนอื่นไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องไม่เห็นแก่ตัวค่อยๆฝึกไปทําทานการรักษาศีลทําทานก็เพื่อไม่ให้เห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวสู้กับกิเลสรักษาศีลก็เพื่อลดความเห็นแก่ตัวอย่าง ยุงเข้ามาแล้วหลวงพ่อยุงเข้ากุฏินะถ้าเข้ามามากๆเราใช้วิธีตอนเย็ น, นเปิดหน้าต่างไว้เราก็ไปอยู่ข้างนอกนะข้างในปิดไฟไว้เดี๋ยวยุงก็ต้องไปทํามาหากินยุงออกเดี๋ยถ้ามีไม่กี่ตัวนะหลวงพ่อมีแก้วอยู่ใบ น, นะแก้วใสๆต้องเลือกด้วยนะแก้วที่ยุงชอบต้องใสๆถ้าแก้วมีลวดลายพอเข้าใกล้มันจะหนีแล้วแก้วใส รอบสบายนะเอากระดาษเสียบทาไปปล่อยเสียบหนึ่งตัวออกเปิดประตูไปปล่อยเข้ามาสามตัว <laughs> อย่างนี้ก็มีนะ <laughs> ถ้าเราเห็นแก่ตัวมไม่ต้องทําอะไรมากมายขนาดนี้ตีทีเดียวก็ตายแล้ว<ม>เห็นแก่ตัวละ<ม>เอาแต่ประโยชน์ของตัวเองทำลายคนอื่นกระทา่งรักษาศีล น, นะก็ะต้องไม่เห็นแก่ตัวจะทําสมาธิก็ต้องไม่เห็นแก่ตัว สัตรูของสมาธิก็คือกาม น, นั่นเองกามนะเป็นเรื่องอเรเด็อร่อยของชาวโลกซึ่งมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกามก็ต้องสละความสุขความสบายแทนที่จะไป น, นอนกระดิกเท้าเล่นดูหนังฟังเพลงให้เพลินเพลินถ้มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมนี่ก็ต้องเสียสละเหมือนกันเสียสละความสุขความสบายก็คือเสียสละกามไป นี่เป็นเรื่องของการเสียสละทั้งนั้นเลยจะทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิเป็นเรื่องที่จะต้องเสียสละนะแล้วก็ลดละความเห็นแก่ตัวเป็นลำดับลาดับไปสุดท้ายก็มาถึงขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยเมื่อใจของเราเข้มแข็งพอแล้วใจของเราไม่ได้ไหลไปในกามติดแต่ความสุขความสบายใจของเรามีกําลังมีความเข้มแข็ง เราก็มาเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตคล้ายๆเข้าสงครามใหญ่ละไม่ใช่ทำสงครามเล็กๆน้อยๆทำสงครามใหญ่กับความโง่ของเราเองไม่ได้ทำสงครามกับคนอื่นเลยที่ผ่านมาเรามีความสําคัญมั่นหมายว่าตัวเรามีอยู่จริงๆกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราความสุขก็ความสุขของเราความรู้สึกต่างๆก็ของเรา มีตัวเราก่อนนะแล้วก็ขยายออกไปทีแรกก็รู้สึกกายนี้เป็นตัวเราจิตใจนี่เป็นตัวเราแต่มาก็ขยายความต้องการออกไปนะ น, นี่ความรู้สึกของเรานี่บ้านเรานี่ครอบครัวเราลูกเมียเรานะนี่ทรัพสมบัติของเรานี่เพื่อนของเรานี่ยนี่หน้าที่การงานชื่อเสียงเกียรติยศของเราใหญ่ๆออกไปเรื่อยถ้าเข้มแข็งพอนะ บุกเข้ามาต่อสู้เผชิญหน้ากับหัวโจกเลยหัวโจกของความเป็นเราก็คือกายกับใจนี่เองถ้าเอาชนะตัวนี้ได้ตัวอื่นไม่สำคัญคล้ายๆถ้าทำสงครามนะมีกำลังมากพอนะตีก็ตีเมืองหลวงไปตีชายแดนเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ายังไม่มีกำลังมากพอก็ตีชายแดนไปก่อนนะทำทานรักาษาศีลอะไรนี่นะยังไม่กล้าเจริญปัญญา พอใจเจริญปัญญานะพอเริ่มเห็นกายไม่ใช่เรานะีก็ร้องห่ม m ร้องไห้แล้วทนไม่ไหวอะไรงีคนคจะสติแตกอนะไรเงี้ยนี่กาลังยังไม่พอแล้วค่อยๆพัฒนากําลังขึ้นมาวันหนึ่งเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตได้ตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ตัวทุกขนะ์ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์จิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์เนะนี่ยถ้าเห็นได้ขนาดนี้นะ มันจะไม่ยึดถือในกายในใจเนี่ยหมดความยึดถือตัวตนได้เด็ดขาดที่สุดเลยด้วยปัญญานะถ้าไม่ได้ล่าด้วยปัญญาเนี่ยลาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยทานธรรมทานอะไรเนี่ยอย่างล่าไม่ได้จริงหรอกนะแค่ขม่มขมไว้เท่านั้นเองนะงั้น ถ, ถ้าถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยถึงจะมาล้างความยึดถือในตัวในตนได้จริงๆรนี่พวกเราบางคนที่อินทรียอย่างอ่อนนะได้ยินว่าจะไม่มีตัวมีตนทนไม่ได้นะ เพเวลาสอนธรรมะเนี่ยพระท่านก็เลยนิยมสอนมาตามลำดับให้ทําทานรักษาศีลอย่างเงี้ย<ม>ขยับขึ้นมาให้นั่งสมาธินั่งสมาธิทํายากกว่ารากาักษาศีอีกนะ<ม>แล้วก็ทําทาน<ม>นะทำง่ายรักษาศีลาศายากกว่าทําทานอีกรู้สึกไห ม, มจเจริญปัญญายากกว่านั่งสมาธิถ้านั่งสมาธินั่นั่งไปแล้วมันมีความสุขนั่งแล้วมันสบายมัเพลินนต่อไปติดใจไม่ทําอะไรแล้ววันวันหนึ่ง เอาแต่นั่งสมาธิไม่เดินปัญญาเดินปัญญายากกว่ามากเลยนะเดินปัญญานี่เป็นขั้นเข้ามาดูความจริงเลยเหมือ น, นทําืศึกในขั้นตะลุมบอลเลยนะไปชิดตัวแล้วทำสงครามแบบถึงเนื้อถึงตัวกันเลยนะจะสู้กิเลสได้หรือจะแพ้กิเลสก็แตกหักกันตรงนี้แหละตรงที่มาเจริญปัญญานี้แหละนอกนั้นยังฉับเฉวยอยู่นะผลักกันแพ้ผลักกันชนะนะรักษาศีลได้บ้างศีลขาดบ้างอะไรเงี้ยนะ ทำสมาธิได้บ้างขี้เกียจบ้างสมาธิแตกไป็นหมดละบ้างเลยนะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเรื่อยๆไปนะทําทานได้บ้างต่หนีได้บ้างอนะไรนี้แพ้ผัดเป็นแพ้ผัดกันชนะในตรงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยคล้ายสึกนี่ถึงขั้นตะลุมบอลแล้วจะชิงเมืองหลวงกันแล้วนะชิงเมืองหลวงก็คือชิงจิตจริงใจนี่แหละว่าจะจิตใจนี้จะให้ธรรมะครอบครองหรือจะให้กิเลสครอบครองนะมันเปขั้นแตกหักกันแล้ว นี่พวกเราก็ค่อยๆฝึกมาเป็นลำดับนะใจใจฝึกใจอย่าเห็นแก่ตัวฝึกไปเรื่อยเมื่อก่อนหลวงพ่อก็มีเพื่อนนะตอนเรียนหนังสือบางคนมันเรียนเก่งนะแต่มันห่วงวิชามากเลยเพื่อนไปขอยืมเลคเชอร์ดูยังไม่ยอมเลยนะเพราะมันมีโน้ตอะไรของมันกลัวเขาจะเก่งกว่าอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยแคบมากใจแคบใครเคยเจอคนชนิดนี้บ้างไหม ใครเคยเป็นคนชนิดนี้บ้างนี่ใจถึงจะกล้ายกเลยค่อยฝึกเอานะค่อยฝึกเอาหลวงพ่อไม่ได้สอนเรื่องทําทานถือศีลอะไรมากจะสอนมุ่งขึ้นมาการปฏิบัติทางจิตทางใจปฏิบัติทางจิตทางใจก็มีเรื่องสมาธิกับปัญญามากเรื่องฐานเรื่องศีลพวกเรารู้อยู่แล้วผิดชอบชั่วดีอะไรรู้หมดอะเพียงแต่ไม่ทําเท่านั้นเองเพราะสู้กิเลสไม่ไหว ยังโกรธขึ้นมาอะไรเงี้ยนะไม่ตีเขาไม่ฆ่าเขานะแต่กะแน่กระแหน่เขานะยั ง, ยงทําอยู่ใครทําแบบนั้นบ้างโกรธแล้วกระแน่กระแหนมันนะอะไรเงี้ยนะโอ้ดีมากนะถ้าไม่ยกมือนะหลวงพ่อจะผิดหวังมากเลยนะ <c oughs> นี่มันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะเอาดีได้เนาะโอเราต้องรักธรรมะนะไม่ใช่รักแต่หน้าเราต้องอย่างนี้ค่อยสมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะ <c oughs> Mm hmm. ต้องสู้เอานะใครลอกเปลือกตัวเองออกมาดูตัวจริงนะตัวจริงแต่ละคนน่าเกลียดมากเลยแต่น่ากากสสวยงามนะดูของจริงของแท้อาศัย จ, จิตที่มีสมาธนะิจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูสมาธิมันจะทำให้เราไม่มีไบแอชนะสมาธิเป็นตัวที่ทำลายไบยแอสในใจเรียกอะไร อคติใจมันจะเป็นกลางจะรู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางได้ไม่เข้าไปแทรกแซงดูเหมือนว่าเราเป็นคนวงนอกกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นคนมงนอกเรามาดูร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเราเป็นคนมงนอกมาดูจิตใจแต่ใจมีสมาธิมันจะถอนตัวออกมาเป็นคนวงนอกไม่มีอคติเหมือนเป็นผู้ภพาภพากษานะผู้ภากษา ก็ต้องฝึ ก, กจิตใจให้ไม่มีอคติเป็นคนมองนอกถึงคนนี้รู้จักนะก็ต้องตัดความรู้จักออกไปอย่างเงี้ยถึงยายุทีิธรรมใจเราก็ต้องมีสมาธินะค่อยๆฝึกสมาธิให้ใจมันตั้งมั่นออกมาสมาธิไม่ใช่แปลว่าสงบสมาธิว่าใจตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปจิตมันเคลื่อนไปอย่างเราหัดไปทุกวันต้องซ้อมนะพุโทโธพุโทโธไป หายใจไปทุกวันต้องทําทําวันหนึ่งสิบนาทีก่อนก็ยังดีต่อไปมันจะเพิ่มได้เองพอเห็นผลของการปฏิบัติแล้วมันจะเพิ่มเวลาปฏิบัติขึ้นโดยอัตโนมัติทุกวันทําในรูปแบบนะพุโทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยแล้วก็คอยรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตจะเคลื่อนไปได้สองแบบนะเคลื่อนไปคิดนไหลสเปสสปาไปกับเคลื่อนไปเพ่ง อยางรู้ลมหายใจนั yourself, ่นกะ็เคลื <ten> ่อนไปคิด <popping> บ <ub> ้างเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจบ้างพุทโธพุทโธนะก็เคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งจิตไว้บ้างอย่าเคลื่อนดูท้องผองยุบก็เคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งท้องบ้างไปเดินจงกรมนะก็เคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งเท้าบ้างบางคนเพ่งร่างกายทั้งร่างกายรู้สึกบางคนไปแปลคาว่ารู้ตัวทั่วปลอมนะไปแก่ไปเพ่งทั้งตัวเลยเพ่งร่างกายทั้งตัวเลยเนี่ยอย่างนี้เรียกเพ่งทั้งตัว ทำอะไรรู้หมดเลยนะรู้หมดเลยแต่ใจมันจะแข็งแข็งอนี้นใช้ไม่ได้จริงอะ่ะงั้นเราฝึกไปให้สบายนะถึงเวลาไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิไม่ถนัดนั่งก็เดินไม่ถนัดเดินก็นั่งนะตัวสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ท่านั่งท่าเดินนะไม่ใช่เดินท่าไหนถูกนั่งท่าไหนถูกจะเอามือไว้ตรงไหนเรื่องไร้สาระเลยละอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคนไหนถนัดจะเอามือไว้ตรงไหนก็เอาไป จุดสำคัญคื่รู้ทันจิตเพราะฉะั้นบทเรียนในการทำสมาธิท่านถึงเรียกว่าจิตศิกขาไม่ใช่ให้เรียนเรื่องกายเรื่องว่าจะเอามือเอาไม้ไว้ที่ไหนหรอกใครถนัดจะเอามือไว้ยังไงก็เอาไว้อย่างนั้นแหละมีคราวหนึ่งนะหลวงพ่อไปหินมกเป้งตอนนั้นหลวงปูเทศยังอยู่ท่านสร้างมณฑบใหม่ท่านไปอยู่ในมณฑบกุฏิเก่ายังไม่ลือเป็นไม้ ในท่านให้หลวงพ่อเป็นพักที่กุฏิเก่าท่านกุฏิเก่ากับมณฑปนี่ห่างกันนิดเดียวจากกุฏิเก่าเนี่ยมองเข้าไปทะลุผนังเป็นกระจกมณฑปนั้นเป็นกระจกนะมองเห็นท่านได้ทั้งคืนเลยเราไปถึงก็เหนื่อยเหนื่อยนะไปถึงแต่มืดเลยเดินทางมาทั้งคืนนะไปถึงอินมะเป้งตอนเช้ากนะ็ไม่ได้พักนะภาวานาอะไรไปกล่าวว่าค่ําๆจะนอนหลปงปู่ไปให้อยู่กุฏิเก่าท่าน มองเห็นท่านอยู่ท่านเดินจงกรมอยู่เราไม่กล้า น, นอนอะ่ะครูบาอาจารย์ยังไม่นอนเลยลูกศิษย์นอนก่อนเสียสถาบันนักปฏิบัติเราก็โอคอยนั่งสมาธิเดินก็ไม่ไหวแล้วหนาวพี่ลึกพี่ล่นเลยค่อยนั่งสมาธิไปค่อยลืมตาหลวงปู่ยังเดินเดินกะว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มท่านคงพักมนะั้งปลอบใจตัวเองเปล่าสี่ทุ่มก็ไม่พักนะห้าทุ่มห้าทุมแล้วหลวงปู่ เรเสร็จแล้วดึกๆมากเลยนะเห็นท่านพักท่านพักเราก็รีบนอนเลยนอนไปตีหนึ่งกว่ า, วาทีสองอะไรเงี้ยโห่มันหนาวจัดนะตื่นขึ้นมาเชงฮอกดูอุ้ยหลวงปู่มาเดินอยู่อีกละต้องลุกขึ้นนั่งหนาวแทบตายเลยเห็นท่านเดินจงกรมมันตะคุ่มตะคุ่มนะมืดมืด ใช่ไม่ได้เปิดไฟอะไรไหมในห้องที่ท่านอยู่มืดๆแต่พอมองเห็นเพราผนังมันเป็นกระจกด้านหนึ่งพระจันทร์หนึ่งก็ส่อง อ, อย่าเงี้ยเห็นท่านเดินตะคุ่มตะคุ่มใจก็สงสัยขึ้นมาแห้หลวงปู่หลวงปู่เดินจงกรมเนี่ยหลวงปู่เอามือไว้ตรงไหนไว้อย่างนี้รู้เปหรือว่าอย่างนี้แต่ละสำนักก็สอนไม่เหมือนกันนึกถามท่านนะถามจบปุ๊บนะท่านก็ เนี่ยเดินอีกนี้เลยนะอ๋อเข้าใจแล้วครับอบอกานะเข้าใจแล้วครับท่า น, นก็มือเก็บนะมันไม่ได้อยู่ที่ท่าทางนะอยู่ที่สติอีกวันไปหาท่านท่านก็พูดเรื่องการปฏิบัตินะให้ทําด้วยความมีสตินะงั้นอีริยาบถ ท, ท่าทางคนละ้ายถนัดอะไรเอานะนะั้นแหละบางคนแปรงแขนแล้วสติกระเด็นไปหมดใช่ไหมก็ เ, เลยชอบให้นิ่ง มือเคลื่อนไหวมากๆนั้นจิตใจกระเจิดกระเจิงไปนะบางคนเดินเร็วบางคนเดินช้านั้นไม่สําคัญออกสําคัญที่รู้ทันจิตนะนั้นเดินไปเรามีสติรักษาจิตอยู่จิตหนีไปลรารู้ทันจิตไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันเนี่ยจะได้สมาธิขึ้นมาเมื่อเราได้สมาธิใจเราจะเป็นคนดูนะใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูที่เห็นรูปธรรมนามธรรมมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตรงที่เรา ใจเป็นคนดูได้เนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าใจยังไม่เป็นผู้ดูแต่ใจเป็นผู้แสดงซะเองนะไม่ได้เรื่องหรอกยังเจริญปัญญาไม่ได้จริงอย่างคนไม่ได้ภาวนานะเวลากโกรธเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าตัวเองโกรธนี่พวกนี้ต่ําสุดเลยจะรู้แต่คนที่ทําให้โกรธไอ้คนนี้ทําให้โกรธเลยเนะี่ยสนใจเขานะันากปฏิบัติเบื้องต้นเนี่จะรู้ว่ากําลังโกรธอยู่ถ้าปฏิบัติเก่งขึ้นมานะจะเห็นเลยว่าความโกรธกับจิตเธอเป็นโคลาชกันนะ จิตไม่ได้โกรธหรอกจิตเป็นคนรู้ว่ากําลังโกรธอยู่เห็นสภาวะของความโกรธมันแยกออกไปตาห่างนะถ้าอย่างนี้ได้นะมันจะไม่ใช่เราโกรธแล้วจะว่าความโกรธมีอยู่แต่ไม่ใช่เราโกรธความโลภมีอยู่ไม่ใช่เราโลภนะความหลงมีอยู่ไม่ใช่เราหลงความสุขมีอยู่ไม่ใช่เราสุขความทุกข์มีอยู่ไม่ใช่เราทุกข์นะร่างกายมีอยู่ไม่ใช่ร่างกายของเราจะเห็นแต่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอก เป็นแค่สภาวะร่างกายก็เป็นแค่สภาวะของรูปธรรมความสุขความทุกข์ก็เป็นแค่สภาวะอีกอย่างหนึ่งทางนามธรรมเรียกว่าเวทนานความจําได้หมายรู้ก็เป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งเ น, น, นี่ยเราฝึกไปเรื่อยนะถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราถึงจะเห็นได้ว่ามันเป็นแค่สภาวะมันไม่ใช่เราหรอกไม่อินเข้าไปของเราเวลาทําอะไรใจยางอินไหม เช่นดูหนังดูอะไรเนี่ยนะยังมีลุ้นไหมเชียร์คนนี้ไม่เชียร์คนนี้มีไหมดูบอลใครชอบดูบอลบ้างใครใครดูบอลแล้วต้องเลือกข้างไหมถ้าไม่เลือกข้างไม่สนุกนึอกออกไหมต้องเลือกข้างนะแล้วอย่าไปเลือกข้างที่เก่งมากเลือกข้างเก่งมากก็จืดชืด น, นะต้องลุ้นหน่อยๆ น, นะแบบสูสีอะไรเงี้นถึงจะสนุกแล้วมันผิดกันมากนั้นดูไม่สนุก เราเนี้ยไม่มีการที่จะดูอะไรทุกอย่างอย่างเป็นกลางเราจะต้องเอียงข้างนะมีอคตินะแล้วก็ใส่อารมณ์ลงไปแล้วก็ลุ้นอันนี้เกลียดอันนี้ชอบอันนี้เกลียดอันนี้ชอบอันนี้เกลียด น, นี้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะไม่เป็นกลางหรอกนะเราจะไม่สามารถเห็นความจริงได้อย่างเวลาเราเห็นเขาชกมวยนะถ้าเราเชียร์ข้างไหนนะเราจะรู้สึกว่านักมวยของเราเลยชกเก่งชกถูกนะแต่กรรมการไม่เห็นอะไรเงี้ย อีกหรือดูบอลเราเชียร์ฝั่งหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งแทนบอลและกรรมการไม่เห็นนะแหมเราเนีเห็นกว่ากรรมการอีกอยู่ห่างทั้งหลาย10เมตรเนาะแหมเห็นได้ใกล้เคียงได้ชัดเจนอย่างเงี้ยเนี่ยอคติละนะงั้นเราถ้าใจของเราเป็นกลางจริงๆนะเราจะเห็นทุกอย่างตรงความจริงถ้าใจเราไม่เป็นกลางเราจะเห็นแบบมีอคตินะลำเอียงเพราะรักก็ได้เพราะชอบอันนี้ลำเอียงเพราะเกลียดก็ได้ลำเอียงเพราะกลัวก็ได้ลำเอียงเพราะหลงก็ได้นะ หลงก็ทําให้ลําเอียงได้อย่างบางยุคนะบ้านเมืองมีหลายอุดมการ์เราลําเอียงเพราะหลงคือเราชอบอันนี้ชอบอุดมการณ์นี้ไม่ชอบอุดมการ์นี้ไอ้ข้างนี้พูดอะไรเราเห็นด้วยหมดเลยไอ้ข้างนี้พูดอะไรเราไม่เห็นด้วยหมดเลยนะทั้งๆที่เราไม่สนใจเลยว่าข้อมูลที่แท้จริงคืออะไรเนี่ยลำเอียงนะความลําเอียงมันเกิดขึ้นตลอดเวลา ใจของเราต้องถอนตัวออกมาให้ได้นะจัดสถานการณ์ตอนนั้นถอนตัวออกมาเป็นแค่คนดูเราไม่ใช่คู่ชกของนักมวยเราไม่ใช่คู่แข่งขันของนักฟุตบอลเราเป็นคนดูนะเป็นกรรมการเป็นคนดูเฉยๆใครจะแพ้ใครชนะไม่สําคัญเราเป็นแค่คนดูเนี่ยถ้าถอนตัวมาเป็นคนดูที่ซื่อตรงได้เนะี่ยเราจะเห็นความจริงทุกอย่างได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะ เนี่ยเจ้าตัวใจที่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้เนี่ยสำคัญมากเลยนี่แหละคือสมาธิที่แท้จริงนะสมาธิที่ใช้เดินปัญญาส่วนสมาธิที่เขาฝึกกันส่วนใหญ่ น, ะนั่งแล้วก็เคริมเคริมเห็นโน้นเห็นนี่นะอย่นั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะสมาธิอย่างนั้นไม่ได้เอาไว้เดินปัญญาหลวงพ่อก็ทําเป็นตั้งแต่เด็กนะกเจ็ดขวบพ่อทําได้ล้นั่งสมาธิแนละ้วออกไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรนะนรกไม่ไปเรื่องอะไรจะไปไปก็ไปดูของสวยๆใช่ไหม ไปดูของไม่สวยดูใหมนั่งสมาธิทีแรกก็ไม่ไปไหนหรอกนั่งสมาธิรู้ลมหายใจนะลมยาวหายใจอยู่ไม่นานนะลมก็ตื่นตื่นตื่นละเอียดนะไม่สองสวันอาทิตย์หนึ่งถ้าจำไม่ได้ลนะกลายเป็นแสงสว่างแต่แสงสว่างแล้วแทนที่ใจจะอยู่กับแสงนะแล้วก็สงบเข้าชงเข้าฌานไม่ไปลยหรอก มีแสงขึ้นมาแล้วก็เกิดสนใจอยากดูสวรรค์อเงี้ยใช้แสงเอาไปเหมือนสปอตไลท์แล้วจิตก็ตามแสงออกไปเลยนะนนิมิตมันเกิดนะเห็นเห็นจริงๆนะแต่ไอ้ของที่ถูกเห็นนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้หรอกนะจิตจะหลอนเอาทั้งหมดเลยก็ได้เชื่อถือไม่ได้หรอกนะนันะใจไหลออกไปสมาธิอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเลยนะเป็นสมาธิที่ออกไปข้างนอก ไปเพลิดเพลินกับโลกภายนอกหรือโลกในจินตนาการของตัวเองนะฝันไปเห็นนางกินนอนอะไรงนี้นะสังเกตไหมคนไทยเวลาเห็นเทวดานะก็แต่งตัวแบบคนไทยนะไม่เห็นเทวดาใส่สูทมาเยี่ยมเลยเนาะทำไมเป็นอย่างนั้น่มันชินอย่างนั้นอ่ะทีนางฟ้านะไปวาดในโบสถ์เนาะนางฟ้าไม่เคยใส่เสื้อเลยอะไรเงี้ยถ้าฝรั่งนะนางฟ้าเป็นแบบนั้นต้องทุกข์ทรมานมากมันหนาว ต้องแต่งตัวเยอะๆมันถือว่าเป็นนางฟ้าได้ผ้าลุงลังอะไรเงี้ยนะมีอะไรเยอะแยะเนี่ยมันมันโลกของจินตนาการนะจริงเท็จเนี่ยไม่สําคัญหรอกสําคัญคือจิตออกนอกเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราไม่ให้ออกนอกนะจิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนไปรู้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะสมาธิที่แท้จริงเนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆนะที่ว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นอนะ ถ้าอยามาแปลเป็นภาษาไทยยุคนี้นะก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพวกเราลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลานะเรงไม่มีสมาธิดังั้นพยายามนะทุกวันต้องซ้อมนะทุกวันต้องซ้อมไหว้พระสวดมนต์สวดมากไม่ได้ก็ส่วนนิดนดหน่อยหน่ยก็ยังดีซ้อมไว้น่าอย่างน้อยอิตีปิโสสวาขาโตสุปัฏิปันโนเอาให้ได้แค่นี้ก็ยังดีนะนโมได้ไหมนโมตัสสะได้ไหมหรือนโมพุทธยะ น้ำโมอย่างง้นอย่างนี้นะลืมน้ำโม่ตัดสาไม่ได้นะซ้ อ, ซ อ, ซอไมไไ้สวดไว้แล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้นะใจก็จมีความสุขขึ้นมาหายใจไปคราวนี้หายใจไปยังมีความสุขหายใจไปแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันใจไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้ทันหายใจไปยังมีความสุขนะแล้วก็รู้ทันไปเรื่อยเบื้องต้นนะ ทำไมต้องไปสวดมนต์สวดอะไรก่อนนะเป็นการปรับให้ใจมีความสุขก่อนแต่ถ้าคนไหนขี้เกียจสวดมนต์มากเลยนะเป็นเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์นั้ น, นก็ขี้เกียจหนักนะไม่ชอบใจไม่สงบนะเริม่มต้นทําอะไรให้มันรีแลกซ์ซะก่อนถ้าใจเราฟุ้งมากในะวันนี้ฟุ้งมากสวดมนต์ไม่ไหวแล้ ว, วนะสวดมนต์แล้วหงุดหงิดนะหาหนังสืออะไรมาอ่านสักเล่มหนึ่งนะที่ไม่ยั่วกิเลสหนังสือธรร ม, มะหนังสืออิงธรร ม, ม ะ, ะอะไรจะยาอ่านแบบนิยายนะ อ่านนิยายอิงธรรมะเนี่ยไม่มีใครบร ร, รลุทำหรอกนะเพราะมันลุ้นพระเอกนางเอกนะมื่ออคติมันเกิดมันไม่เป็นกลางไม่ได้สมาธิจริงหรอกหนาะอย่างพุทธประวัติประวัติพระสาวกอะไรเงี้ยนะอ่านแล้ใจเข้าใจมีความสุขนะพอใจมีความสุขนะหรืออ่านใครเคยอ่านธรรมบทบ้างอัทธกถาของธรรมบทไปหาซื้ออ่านนะมีแปดเล่มแนะนําเป็นหนังสือแนะนําประจําปี ไมอ่านนะเล่มเล็กๆหรอกเล่มพ็อกเก็ตบุ๊กเท่านั้นแหละมีขายที่มหามากุฎนะโฆษณาให้เขาด้วยไม่ได้ตังคนะ์หรอกหลวงพ่ อ, อยังไปซื้อมาอ่านเลยสมัยเป็นโยมอ่านไปวันละเรื่องสองเรื่องนะเวลาที่ใจเราฟุ้งซ่านมากก็มานั่งอ่านรู้วันนี้มีเรื่องพระโพธิละอะไรอย่างนี้นะวันนี้เรื่องพระวักกะลีอะไรอย่างเงี้ยนะยังมีเรื่องแบบนี้อ่านไปละใจยังมีความสุขนะใจยังมีความสุข ไปนั่งสมาธิต่อนี่ยแป๊บเดียวสงบเลยนะถ้าใจฟุง้งยังเรามาเคลนเคนเคลนไม่สงบหรอกงันะ้นถ้าไหวพาสวดมน์แล้วสงบได้ก็ไหว้พาสวดมน์ถ้ามันยังไม่ไหวจริงนะหาหนังสือมาอ่านก็ได้นะให้ใจมันคลายใจคลายแล้วก็มาไหว้พาสวดมน์มารู้ลมหายใจแล้วก็มารู้ทันจิตไปนะใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ต่อไปเนี่ยนะง่ายไม่ต้องเริ่มต้นไกลเลยคิดถึงพระพุทธเจ้านะ นิดหน่อยก็พอแล้วใจสบายมีความสุ ข, ขคิดถึงพืชเทิเจ้าแล้วนะพน้ามโมตัดสายังไม่ทันพักว่าโตจิตก็สงบแล้วนะค่อยๆฝึกจิตสงบเพราะว่าอะไรชํานานรู้ทันจิตที่เคลื่อนพอรู้ทันจิตเคลื่อนปุ๊บจิตตั้งมั่นเลยนะเคล็ดลับอยู่ตรงที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะการทำสมาธิชนิดที่ถูกต้องไม่ใช่เคล็ดลับอยู่ที่น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียว น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขเป็นสมาธิชนิดสมถะนะถ้าจะใช้สมาธิชนิดที่สองเรียกลักขณูปนิชานเนะี่ยให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะไม่ห้ามพุทโธพุทโธไปก็ได้จิตเคลื่อนแล้วรู้ไม่ใช่พุทโธแล้วห้ามเคลื่อนแข็งแขงอย่างนั้นผิดนะผิดนะค่อยๆฝึกนะเอาสมาธิขึ้นมาให้ได้พอได้สมาธิแล้วก็ดูไปร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายใจเป็นคนดู จิตที่ตั้งมั่นแล้วมันจะกลายเป็นคนดูได้เขาถึงเรียกว่าผู้รู้ไงมันเป็นผู้รู้มันไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนัเรามาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ให้ได้นะจิตของคนในโลกของสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จะให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งพุทโธหายใจไดแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนไปคิดรู้เคลื่อนไปเพ่งรู้ต่อไปจิตพอเคลื่อนเรารู้ปุ๊บสมาธิจะเกิด จะรู้นืรู้ตัวจิตไมันชะจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะรู้จะตื่นจะเบิกบานเลยนะถ้าจิตเป็นผู้รู้ได้คราวนี้ก็มารู้อะไรก็รู้กายมันทํางานรู้ใจมันทํางานหรือก็เห็นความจริงของกายของใจเกิดปัญญาได้ถ้าจิตไม่ใช่ผู้รู้ไปดูกายก็เป็นผู้เพ่งกายไปดูจิตก็เป็นผู้เพ่งจิตได้แต่ความนิ่งนิ่งว่างๆงไม่ได้เรื่องอะไรหรอกกี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่แค่นั้นนหะเราะนั้นให้ใจของเราเป็นผู้รู้ให้ได้นะเป็นผู้รู้ถึงจะทำวิปัสสนาได้ มีปรัชนาเพาว่าการเห็นการเห็นถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงใจเราเป็นคนรู้คนเห็นเราก็จะเห็นปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมมันทำงานของมันได้เองการฝึกไม่ยากเกินไปหรอกหลวงพ่อน้ฝึกได้ตัวรู้มาตั้งแต่เป็นโยมนะฝึกกันชำนิชำนานนะใจไม่ค่อยเคลื่อนไปไหนแล้วนะใจเป็นคนรู้หลงหลงไม่นานหนะลงไหมมีไหมมีนะตอนเป็นโยมเมื่อหลงอุตรลุดเท่าๆกับเราแหลนะ แต่ว่าหลงไม่นานไหลปุ๊บก็รู้ไหลปุ๊บก็รู้อยู่ที่ฝึกเอานะนี่ของขวัญปีใหม่นะปีปีใหม่ถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกอย่าอย่างนี้นะที่ไตรามาสแรกอาจจะได้โสดาไตรามาสแรกไม่ได้ก็ได้ไตรามาสที่สองที่สที่4ยังไม่ได้ปีต่อไปก็เอาให้ได้เออเอาไปกินข้าว